รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนบุรุษผู้กระหายความตายกรณีเฉพาะตนของคนอยากตายคนหนึ่งอาชีพตกงานลักษณะางานที่ทำคิดมาก คำถามแรกผมยังไม่ถึงขนาดตกลงใจฆ่าตัวตายจริงจังแต่เป็นโรคซึมเศร้าต้องพึ่งยาและอยากตายขึ้นมาหลายวูบคืออยากพ้นพ้นไปจากสภาพนี้มากรู้สึกว่าความตายเป็นที่พึ่งเดียวแต่พอถามตัวเองว่าจะลงมือดีไหมก็รู้สึกกล้ากลัวยิงช่วงหลังมีเวลาอ่านและฟังหนังสือธรรมะมากขึ้นก็ชักเชื่อว่า ชีวิตหลังความตายน่าจะมีจริงและอยากเจริญสติให้เป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างแต่เมื่อพยายามเจริญสติก็พบว่าสติไม่เจริญเอาเลยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดของอาจารย์ท่านไหนพอพยายามได้พักหนึ่งจะร้องไห้รู้สึกเหมือนเป็นคนบาปที่ไม่มีวันเจริญกับใครเขาอยากขอคาแนะนำว่าคนอย่างผมควรเริ่มต้นจากตรงไหนเป็นก้าวแรกดีครับ เริ่มจากการทำความเข้าใจให้ถูกเสียก่อนว่าการเจริญสติไม่ได้ช่วยให้คุณหายทุกจากการตกงานและการมีชีวิตที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาตรงข้ามคุณต้องเป็นผู้ไม่มีทุกขอันเกิดจากการงานให้ได้เสียก่อนจึงควรแก่การเป็นนักเจริญสติคนตกงานและใช้ชีวิตอย่างไม่มีจุดหมายนั้นดูที่จิต จะเห็นว่าลอยเคว้งสับสนไปสับสนมาเพราะจิตไม่มีฐานให้ปักหลักลงไปจึงไม่น่าแปลกใจหากฝึกเจริญสติแล้วล้มเหลวคล้ายกับคนพยายามยืนตัวตรงเด่แน่นิ่งบนกระดานโต้คลื่นจะให้นิ่งสำเร็จอย่างไรไหวเมื่อชีวิตไร้หน้าที่จิตก็พลอยไร้รากไปด้วยนี่คือความจริงพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสครับว่า คนที่จะเข้าถึงความจริงระดับอริยะได้นั้นจำเป็นต้องเลี้ยงตนเองได้ด้วยความชอบธรรมไม่ทุจริตคิดคดหรือเอาแต่เป็นภาระของผู้อื่นโดยไม่ทำอะไรช่วยตนเองเลยพูดง่ายๆคือถ้าอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเรียนแบบไม่โกงข้อสอบจนกว่าจะได้ปริญญาถ้าอยู่ในวัยทำงานก็ต้องทำงานสุจริตให้คุ้มเงินจ้างถ้าเป็นพระ ก็ต้องรักษาวินัยและประกอบกิจของสงฆ์ตามที่ตกลงไว้กับพระพุทธเจ้าคือมาบวชเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งไม่ว่าสำคัญตนเองว่าเป็นใครต่ำต้อยหรือสูงส่งคุณจะหยุดนิ่งไม่ได้แม้บอกว่าหางานมาเป็นปียังไม่มีใครรับก็ใช่จะเป็นข้ออ้างว่าสมควรเลิกล้มความพยายามเสียที ถ้าพยายามหางานจริงไม่ใช่รอให้งานวิ่งมาหาคุณจะเต็มใจแม้ต้องเหน็ดเหนื่อยสร้างงานขึ้นมากับมือของคุณเองเลิกง้อขอให้ใครเขาสร้างงานไว้เตรียมรับคุณค่าเดียวสิทีเพียงคุณหาช่องทางทำกินอันสุจริตแม้ยังไม่สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างก็จะพบว่าชีวิตต่างไปแล้วเพราะมีฐานให้จิตเริ่มอย่างรากลงไปบ้างแล้ว ที่ตรงนั้นสำรวจใจตัวเองจะพบว่าไม่กวัดแกงวกบบวนทั้งวันอย่างเคยและนั่นเองคุณสามารถเริ่มนับหนึ่งจากการเปรียบเทียบคุณภาพของจิตจะเห็นความต่างระหว่างจิตที่เลื่อนลอยเพราะไร้รากกับจิตที่มั่นคงเพราะมีรากแล้วการเจริญสติเห็นจิตแบบมือใหม่นั้นไม่จาเป็นต้องเห็นละเอียดเป็นขณะขณะ แต่เอาแค่ภาพใหญ่ภาพรวมรู้ความแตกต่างระหว่างจิตวันนี้กับจิตเมื่อวานเมื่อวานไร้รากฐานวันนี้มีการงานก็นับว่าใช้ได้แล้วได้ชื่อว่าเห็นจิตจริงๆเหมือนกันรู้ได้เหมือนกันว่าจิตไม่ใช่ตัวตนที่บังคับได้ดังใจแต่เป็นผลลัพธ์อันเกิดจากต้นเหตุอะไรบางอย่างกับทั้งมีใช่จะต้องดำรงอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งตลอดการ มันสุดแต่เราจะเลือกเดินไปทางไหนกล่าวถึงความมั่นคงทางใจไปแล้วก็ต้องไม่ละเลยที่จะกล่าวถึงความสว่างทางจิตควบคู่ไปด้วยแม้จิตใจมั่นคงดีแต่ก็อาจรู้สึกแห้งแล้งได้และไม่เกื้อกูลกับการเจริญสติพูดง่ายๆคือหากไม่ยอมทำบุญเอาสิ้นเลย คุณไม่อาจรู้สึกแช่มชื่นเบิกบานและเกิดกำลังใจในชีวิตมากพอจะปลูกสติให้เจริญขึ้นคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงการทำบุญด้วยเงินความจริงคุณทำบุญได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแค่คิดดีมองโลกในแง่ดีเมื่อใดใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วขอให้สังเกตเถิดถ้าโกรธใครแรง พอเขาขอโทษและคุณเต็มใจให้อภัยจะรู้สึกโปร่งโลง่งจิตใจสบายและเหมือนเห็นโลกสว่างขึ้นนั่นแหละคือปรากฏการทางจิตกุศลและจิตย่อมฉายสว่างจนรู้ได้เฉพาะตนและหากฉลาดทางจิตมากเขา้าคุณย่อมคิดได้ด้วยตนเองว่าทําไมต้องรอให้คู่กรณีมาขอโทษและจิตคุณถึงจะได้สว่างกับเขา สู้คิดให้อภัยเป็นทานเสียเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าหรือคิดได้เดี๋ยวนี้ก็สว่างได้เดี๋ยวนี้สุขกายสบายใจเป็นประโยชน์กับตัวเองอยู่เห็นเห็นทางทําบุญมีมากมายหลายหลากจะรในไม่หมดทำอย่างไรก็ได้ให้ใจชุ่มชื่นไม่ว่าจะเป็นการสละทรัพย์สละความแค้นสละแรงสละเวลาสละหัวคิดช่วยใครต่อใคร สมัยนี้มีอินเทอร์เนต็ตยิ่งทำง่ายครับลองหาธรรมะดีๆไปชี้ทางสว่างกับคนต้องการที่พึ่งทางใจตามเว็บบอร์ด ต, ต่างๆก็ถือว่าได้บุญขั้นสูงแล้วทำให้มากและสม่ำเสมอยอมไขแสงให้จิตสว่างเป็นปกติพร้อมจะเจริญสติยิ่งๆขึ้นไป คำถามที่สองทราบว่าในคัมภีร์บันทึกไว้เกี่ยวกับพระช น, นะที่ฆ่าตัวตายและสามารถบรรลุอรหัตผลก่อนตายจึงเกิดความสับสนว่าตกลงการฆ่าตัวตายเป็นบุญหรือเป็นบาปกันแน่เรื่องเกี่ยวกับพระชนะนี้ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆนะครับไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นความจดจำว่า ใครก็ได้ที่ฆ่าตัวตายมีสิทธิ์ถึงนิพพานกันหมดในฉันโนวาทสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นบทสรุปโดยย่อคือบุคคลใดทิ้งกายนี้แล้วไม่เข้าไปสู่ความมีกายอื่นไม่พึงถูกตำหนิด้วยประการทั้งปวงแม้พระช น, นะจะยังถูกตระกูลของตนตำหนิที่ฆ่าตัวตายแต่พระช น, นะ ก็ไม่ไปสู่ความเป็นคนของตระกูลใดอีกแล้วสำหรับอริยะจึงไม่ใช่เรื่องหน้าตำหนิอีกในทํากลางการเวียนไหวตายเกิดนี้พุดเราตัดสินเอาบุญกุศลเป็นเรื่องถูกเพราะบุญกุศลเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญส่วนบาปอากุศลเป็นเรื่องผิดเพราะบาปอากุศลเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน การฆ่าตัวตายถานับเป็นความผิดก็คือผิดที่ทําลายโอกาสอันดีในการเป็นมนุษย์ทิ้งเหมือนผู้ละทิ้งถิ่นฐานอันเจริญรุ่งเรืองไปสู่ถิ่นฐานอันเสื่อมทราม <c oughs> เพียงเพราะนึกว่าถิ่นฐานเดิมของตนไม่ดีพอพูดง่ายๆว่าถ้ายังมีพบอันเป็นจริงอื่นรออยู่การฆ่าตัวตายทําลายความเป็นมนุษย์นั้น ก็น่าตำหนิที่มีเพชรอยู่ในมือกลับทิ้งอย่างไม่เห็นค่าไปคว้าก้อนกรวดมากมแทนแต่พุทธเรายังมองความจริงที่สูงไปกว่านั้นคือพระพุทธเจ้าท่านเห็นก่อนใครว่าโลกนี้จะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับว่ามีอาการยึดหรือไม่ยึดใช่ว่าโลกจะต้องมีอยู่หรือไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองข้างเดียวราบใดยังอุปาทานว่า มีโลกและมีเราก็ย่อมเป็นโอกาสแห่งการทยานอยากที่จะทำดีทำชั่วเพื่อตัวเราซึ่งก็ยอมเกิดพบชาติเกิดโลกอย่างนี้ให้สวยผลดีผลชั่วที่ทำไว้ต่อเมื่อทำลายอุปาทานว่ามีโลกและมีเราเสียด้ก็จะไม่เห็นกายใจเป็นอะไรอื่นนอกจากทุกมีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นด้วยเหตุมีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเพราะหมดเหตุ พระช น, นะก็เป็นผู้หนึ่งที่เข้าใจคำสอนชั้นสูงของพระพุทธเจ้าต่อมาหลังจากนั้นท่านป่วยหนักปวดหัวปวดท้องอย่างรุนแรงราวกับโดนใครบีบศีรษะด้วยคีมใหญ่หรือเหมือนโดนใครเอามีดขว้านท้องก็ไม่ปานในเวลาเข้าได้เข้าเข็มเช่นนั้นพระช น, นะก็ได้พระสารีบุตรซึ่งเป็นมือขวาของพระพุทธเจ้ามาช่วยโปรดโดยการโปรดของท่าน เป็นการยิงคำถามว่าจนป่านนี้ท่านยังยึดอยู่ไหมว่าการเห็นทางตาการได้ยินทางหูการได้กลิ่นทางจมูกการลิ้มรสทางลิ้นการแตะต้องทางกายตลอดจนการคิดนึกด้วยใจว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยจิตอันไร้ความยินดีในกายใจเป็นที่สุดพระช น, นะตอบตามซื่ออย่างหนักแน่นว่า ท่านไม่รู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายและกระทั่งใจเป็นตัวท่านหรือเป็นของท่านอีกแล้วและเพราะเลิกยึดธรรมที่เกิดดับพระช น, นะจึงเห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีการอุบัติไม่มีการแตกทาลายสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรในภายหลังว่าพระช น, นะได้พยากรณ์ความเป็นผู้ไม่เกิดอีกของตนเองต่อหน้าพระสารีบุตรแล้ว สรุปคือพระพุทธเจ้าท่านยืนยันคติที่ไปของพระชนะว่าไม่มีอีกแล้วและท่านเป็นพระอรหันต์จิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วก่อนจะทิ้งกายนี้ของท่านด้วยมีดไม่ใช่ฆ่าตัวตายขณะมีจิตเศร้าหมองแต่อย่างใดผู้พ้นโลกแห่งบุญบาปย่อมทำอะไรอะไรโดยสักแต่เป็นกิริยาไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปอีกต่อไป สรุปคือถ้าคุณจะเอาพระช น, นะเป็นแบบอย่างก็ต้องเอาอย่างท่านทุกขั้นตอนนะครับคือฆ่าอุปาทานทิ้งให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยคิดทิ้งกายในภายหลัง